อ้าวสั่งใจฟังต่ อ, อวันนี้ซึ่งสร้างโกดอันนึงขึ้นมาเ ก, กี่ยวกับการสมาทานศีลจะให้ญาติโยมทุกคนเข้าใจในการสมาทานศีลนั้นเนื้อแท้ของการสมาทานศีลนั้นคือการงดเว้นนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นไกลสมาทานศีลคือเพื่ออยากจะหงดเว้นจากกมชั่วทั้งหลาย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 จะไปสมทานกับโยมโดยกันก็รู้มันกระไรอยู่เพราะมันถือเข้ามาในกระดูนานแล้วไอความเป็นจริงก็คือที่สมทานนั้นก็คือไปสมทานจากคนผู้ฉลาดผู้ฉลาดนั้นก็เดียกว่าที่จะบอกถิ่ถูกของเราเท่านั้นแหละใครๆก็ได้อแต่ท่านสามารถจะบอกโทษของการไม่มีศีลท่านจะบอกประโยชน์ของการที่เรารักษาศีลได้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 อย่างนี้เรีกว่าสมทานาวิรัตสมทานจากผู้อื่นงดเล่นแล้วแต่จะบอกปานาอธินากาเมมุสาสุราหรือตลอดอุโบสถสินบันนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเราสมทานจากท่านผู้อื่นผู้อื่นบอกผู้ที่จะบอกเรานั่นก็เป็นที่น่าเรื่อมใสในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมวีไน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 ซึ่งเป็นเจ้าของพระศาสนาแล้วเรากำนดว่าเราจะสมทานสินงดเว้นจากข้อวัดอะไรแล้วก็งดเปลี่ยนโดยตนเองเอาตัวเองเป็นพยานอันนี้ยิ่งกว่าเก่าเป็นชิขีภูตัวเป็นชิขีภูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนที่เรียกว่าสมทานโดยตนเองเป็นอิสระ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 กำลังเรามันน้อยเราต้องเกาะคนอื่นเขากาลังไม่มากต้องอาศัยคนอื่นเขาไอ้ความเข้าใจไม่มากความรู้ไม่มากความฉลาดไม่มากเราต้องอาศัยคนื่นเขาเป็นธรรมดาอันนี้ยังหยาบไปหน่อยอาศัยตัวเองเป็นคนที่เชื่อตัวเองอืมเป็นคนที่เชื่อตัวเองเห็นตัวเอง เห็นตัวเองชัดเรียกว่าสมทา น, ด, นา ด, ด, ด, า ด, ด้วยตัวเองเป็นสัมปัตติรัตงดเด็ดขาดโดยตัวเองเลยไอ้ที่มันอ่สิ่งที่เรานึกเห็นบะที่มันไม่ดีมันผิดจากศีลของเรานี่เราก็เลิกมันอันนี้ง่ายง่ายแต่ว่าทายใบจริงมันชอบโกหกเจ้าของนันเนี่ย มันชอบัวหกเจ้าของก็เหมือนเรามีมีหลักหมุดอันหนึง่งเราตั้งไปกลางทุ่งนาหรือต่างแจ้นหลักหมดุดหลักนั้นมันมีหลักหมุดอันเดียวถ้าเราเดินอ้อมไปทางทิศใต้มองไปมันก็ตรงทางทิศเหนือถ้าเราเดินไปทางทิศเหนือมองดูมันก็ตรงไปทางทิศใต้ ถ้าเราเดินไปทางตะบน อ, อกมองไปมันก็ตรงไปทางทิศตะวันตกถ้าเราเดินไปทางตะบัตกเดินมองตรงไปมันก็ตรงไปทางตะบน อ, อก <c oughs> มันเป็นซสอย่างนี้เออเนี่ยมันเป็นซส์ยอย่างนี้อ่า <c oughs> <c oughs> ทีนี้เออเราต้องเชื่อตัวเราเองอย่างแน่นอนถ้าหักว่าเรามีพุทธทางธรรมังสังทางมีหลักศักษามหมดเอาไปปากตรงหนึ่งหลักนะ <c oughs> เราจะมองดูไปทางโ น, โน้นเอาหลักที่สองไปปักตรงอีกนะมองดูหลักหมุดขั้งแรกไปหาหลักหมุดต้นที่สองมันไปตรงกันเอาต้นที่สามไปปักต่อกันสามหมุดที่มันตรงกันเสมอเป็นต้นอันนี้มันมีพยานรอบร้านเลยตรงเลยต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นที่สองต้นที่สามมันตรงไปทั้งนั้นอนะ่ะออันนี้มันมีพยานไอนหลักเดียวนี่มันสําคัญอยู่อืมสําคัญอยู่ <c oughs> อย่างเขาจะตัดถนนไปทางไปถูกบ้านเราเนี่ยเราเนี่ยไม่ใช่มันตรงไปโน้น <c oughs> เราเดินอยา ง, งมาเดินไปโน้นจะไปถูกบ้านโน้นเอาจะมาถูกบ้านเราแล้วมันตรงไปโน้นอย่างนี้มันก็ตรงไปเรื่อยๆไปยัง่ะอันนี้มันเป็นอิสระนี่จะ ต, ต้องสาหาก่ามันดีมันก็ดีจริงถ้าไอต้ตนที่จะต้องเป็นพยานนั่นเป็นผู้เข้าใจในธรรมะจริงๆแล้วมันก็ดีมากที่สุด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 เป็นคําที่มนปฏิญญาของพระอดีตเจ้าเป็นศีลของพระอดีญบุคคลเป็นศีลของพระอดีตเจ้าชินมอมโสดัวนี้มันตายมาเนี่ยให้คุณฆ่าซะไม่ยอมฆ่าคุณไม่ฆ่าฉันจะฆ่าเธอนาะแล้วแต่เธอนเนี่ยเด็ดขาดแล้วอย่างเนี้ยตรงเลยนี่เท่ากับศีลพระอดีญบุคคลถึงประพุทธถึงประธรรมถึงประสงค์อย่างแน่นอน มเป็นสินที่บริสุทธิ์ผุดทองอืมันเป็นมีมุตอันนั้นเั็นเป็นสินพระอาธิยบุคคลสินพระดีเจ้าแน่นอนเอาชีวิตเปลี่ยนเอาสินเลยแรกเอาสินไอ้พวกเราะสมบัติบิรัดสมถารวิรัดนี่ก็เรียกว่าเอาเลี้ยงออกไปได้สชมุสเฉษฐบิลัดัดตัดขาดเลยไม่ว่ามันจะตรงไปไหนตัดไปเลย อันนั้นเรียกว่าคำเดียวน่ะเป็นศีลอันเลือเป็นศีลอันประเสริฐทั้ทงสามประการนี้เราจะสมทานศีล น, นั้นเอาที่ไหนก็ได้คือศีล น, นั้นไม่มีที่อยู่ไม่อยู่ในการทุ่งไม่อยู่ในป่าไม่อยู่ติดถนนไม่อยู่ที่ไหนทั้งนั้นแหละอยู่ที่จิตใจของเราทั้งหลายนั่นนะเมื่อมีจิตงดเว้น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 ธรรมะปราบใจโคดกันง่ายๆศีลเป็นตัวปรกายกับวาจาคนนี่วาจาดีกายก็ดีก็เป็นที่จะเชื่อมั่นไปสักห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ก็ใจไม่ดีพูดเอาดีก็ได้คนเนี่ยอพูดดีก็ได้กายไม่ดีทํากายให้ดีมันอลอกลวงได้ถ้าถึงถ้าพูดไปถึงธรรมะเรื่องจิตแล้วดีไม่ได้ ตรงไหนตรงนั้นเลยฉะนั้นธรรมนี่ยมันจึงเกิดเกิดมาจากศีลนี่เป็นเหตุการปฏิบัตินี่จึงเป็นของที่สําคัญไอ้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันศีลนี้ถ้าจะพูดไปมากมันก็มากถ้าจะพูดกันง่ายๆมันไม่มากต่อศีลนั่นมันความลายต่อความชั่วตัวเดียวฉะนั้นแหละอืมันไม่ต้องไปไหนหรอกมันจะต้องเป็นศีลขึ้นมาทันทีละ่ะ เอเท่านั้นออก็เหมือ น, นกันกัะที่ค่ะว่าไอเราปลูกหญ้าหรือปลูกผักนะอะมันจะต้องอาศัยปุ๋ยมันเอาปุย๋ยใส่เข้าไปมันก็งามขึ้นแต่ว่าสถานที่นั้นมันดินไม่มีปุย๋ยเอาปุย๋ยใส่อีกคนหนึ่งเ้ามีที่ดินมันมีปุย๋ยในตัวของมันนั่นไม่ต้องเอาปุย๋ยมาใส่อีกมันก็งาม มันก็งามในตัวของมันอันนั้นคนก็มีความอายอยู่แล้วมีความกลัวอยู่แล้วคือมันมีปัจจัยอยู่แล้วมันจึงเป็นเหีุให้กลัวให้อายอันนั้นมันจะงามอยู่แล้วพอมีคนมาเอาดินนั่นไปทำนาหรือทำสวนทำให้เกิดประโยชน์มันก็งามขึ้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันเพราะปุ๋ยมันมีอยู่แล้วอย่างนี้ก็มีเราจะดูคนคน ท, ทุกคนในเวลานี้ก็ได้ บางคนไม่ต้องสอนง่ายไม่ต้องสอนยากหรอกบอกคําเดียวซ่องคำรู้เรื่องนี่ง่ายบางคนตอนเช้าก็บอกตอนเย็นก็บอกบอกกันอยู่จนจนมันไม่รู้เรื่องเออบอกจนทะเลาะกันอบอกหลายจนทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นแค่นั้นอืทีนี้ปัจจัยคนมันที่ต่างกันเกิดจากการประพฤติธปฏิบัติเองพวกเราก็เหมือนกันฉะนั้น ไม่ว่าอุบาสกอุบาสิกาไม่รู้ว่าพระหรือเนรใครทั้งหมดมันไม่เหมือนกันโดยการกระทำของเราโดยจิตใจแต่เขาถือพาสิบว่านาณาจิตตังมีจิตต่งตา ง, างกันถ้าจะทำอะไรเอ้ยอันนั้นมันคดีไว้อย่าไปทำเลยเอา้าวมันน า, นานาจิตตังลยใครอยากทำอะไรก็ทำเนี่ยมันไปเข้าใจผิดว่านานาจิตตัง ไอ้คุณจะว่ามันถูกกาช่างคุณเถอะมันไม่ถูกหรอกธรรมะไม่บอกอย่างนั้นธรรมะแต่เป็นอย่างนี้ก็วกกลับมา ท, ำทํำถิอันนี้ไอ้คนนี้ก็นานาจิตตังใครก็นานาจิตตังก็แตกหูมกันเท่านั้นเยพราะ ท, ทํากัหนหมะนานาจิตตังเอ้ยต่างจิตต่างใจคนแล้วใจจะทำเอ้ยนี่เอาไปปฏิบัติติดตายกันหมดเลยนะมันจะไปถึงนานาจิตตังก็ช่างมันเถอะมันผิดเนี่ยนี่มันผิดนี่นานาจิตตังก็ช่า ง, งมัน ใครจะมีทิฏฐิมรนณะมีโลภมีโกรธมีหลงประจัญถ้าพุทธองค์ท่านว่าให้วันเทาโลภโกรธหลงไปกว่าจนว่ามันจะหมดไปนั่นแนี่คือคําสอนของพระนั่นคือศาสตร์อันดีที่สุดอะศาสตร์อันดีที่สุดคือพุทธศาสตร์จ้ะต้องมารวมอย่างนี้อืศาสตร์ทั้งโลกเขาก็เป็นศาสตร์นานาจิตตงต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างเรียน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 คนที่แก้ปัญหามันก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีคนที่แก้ปัญหาก็ไม่มีปัญหานั่นก็ไม่มีนี่ให้ลงจุดเนี้ยจะทำยังไงถ้ามีคนแก้ปัญหาปัญหามันก็มียอะถ้ามีปัญหามาให้คนแก้คนก็มียะไม่จบเรื่องมันไม่จบเรื่องของนั่นโลกเมื่อพูดถึงธรรมะทันบัปัญหาก็ไม่มีคนที่จะแก้ปัญหาก็ไม่มี เนี่ทำห้มันหมดอย่างนั้นอืสงบเท่านั้นแหละมันสงบอย่างนั้น ม, มันก็สงบเท่านั้ น, ม, นมันก็สงบนี่มีคนแก้ปัญหามันก็มีปัญหามีปัญหาก็มีคนแก้ปัญหาการพูดจะ ง, ง่ายๆนะสภาพโลกของเรานี่สมัยก่อนนะจะเป็นตะวันเมืองเรามั น, ม, นมันไม่มากก็ได้นะไอเมืองอุบลเราเนี่ยทั้งหลายเนี่ยไม่เคยมีน้ําจะท่วมหรอก เขาบอกมันไม่มีเขื่อนนะทุกวันนี้ว่าบ้านมันอดอยากมันไม่พอกินการน้ามันอดไปกั้นเขื่อนกั้นไปกั้นไปกั้นทุกที่ทุกทางเนี่ยกั้นไปกั้นไปต้นไม้มันก็หมดไปกั้นไปกั้นไปเมื่อเวลาน้ามันมาผมบอกขังอยู่ทีเดียวกันนะมันขังอยู่แห่งเดียวทำไงมันจะท่วมตายก็ปล่อยเขื่อนเท่านั้นเนีะยปล่อยเขื่อนทั้งทั้งล่างหลังกันก็ตายวุ่วายไปท่วมบ้านท่วมเรือนหมดแล้วสมัยสมัยก่อนนี้ท่วมไหม นี่เราปล่อยตามธรรมชาติมันจะหม่อมเสมอเนี่ยนี่คือความเจริญมันเึิดมาไอ้ความเสื่อมก็ตามมาอย่างนี้ถ้าไม่ทาอย่างนี้ก็อดอยากมันแก้ไม่พ้นเลยมันเจริญขึ้นมาความเสื่อมก็ตามมามันเป็นมันแก้ไม่พ้นอารณ์ลกมันเป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้คือมันมีที่จะต้องแก้นะที่สภาพที่มันสุดจบของมันนั่นเนี่ย ไอ้ปัญหาก็ไม่มีคนแก้ปัญหาก็ไม่มีหมดจะทํำยังไงนี่ปัญหาคือชีวิตเราทุกคนเกิดมามันทุกมันยากมันลาบากเนยมันลำบากมากมันลาบากอืมันลำบากเพราะอะไรหลายชีวิตมันเกิดมารวมกันแล้วมันก็ต้องวุ่นวายเป็นธรรมดาของมันนี่เป็นธรรมดาของมันอย่างนี้มันเป็นธรรมดา ที่พระพุทธองค์ชันว่าอเมื่อมันมีปัญหาก็มีคนแก้เมื่อมีคนแก้ก็มีปัญหาตลอดอยถึงทีนี้ถ้ามันนี่เกิดต้องมีตายนะ่ะนี่เป็นอย่างนี้ทุกวันที่เราก็แสดงหามาหาเกิดแต่ตายไม่ต้องแสดงหามันมันประจิตไงคือ ไอ้ความตายมันอยู่ข้างนึงไอ้ความความเกิดมันอยู่ข้างนึงอยู่แล้วเราจะไม่อยากไล่ขนาดนีน้มันก็ติดตามไปด้วยเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านบอกว่าอย่าเลยอย่าแสดงฮะความเกิดเลยถ้าเกิดมาแล้วมันตายอีกไม่ยอมไม่ยอมนะออย่าเกิดอีกแต่อย่าเกิดแต่ฉันไม่อยากตาย หรือตายก็ให้คนอื่นตายก่อนเถอฉันฉันจะค่อยๆตายทีหลังก็หรือถือจะตายใครให้นานที่สุดล่ะนะในนานที่สุดมันก็ทุกข์สิเอ้าอยู่นานๆใครจะไม่ทุกข์หระมันก็ทุกข์เองเนี่ะมันทุกข์อยู่ที่แปดสิปีเก้าสิปีเอาสินะมันจะเล่นขี้เล่นเยี่ยวอยู่ตรงนั้นแหละเราทุกข์คนนี้คนหนึ่งก็ทุกข์ไปด้วยเนี่ยเราก็เนื่องว่าไอ้ข้าเกิดมาไม่ตายมันจะดีนั่นแหละมันคิดโง่ที่สุดแล้ว นะโง่ที่สุดแล้วก็นะเหมือนกันที่ไอ้ตายก็เกิดนี่ตรงเหมือนกับลหายใจเข้าออกถ้าคนเข้าใจว่าเกิดแล้วไม่ตายจะดีหลายลองอุดอัดลมเข้าไปเดียวนี้ที่ไปตรง อ, ออกมันดีไหมลมออกไปหรือลมเข้ามาอะไรมีราคากว่ากันไม่สักวันนี้หายใจออกมีราคาหรือหรือหายใจขันใจเข้ามันมีราคาอ้าวอ า, อาทีเกิดกับตายกเหมือนลมหายใจเข้าออก ฉันฉันว่าหันใจเข้าฉันว่าดีกว่าเอาอย่าหายออกสิลองสิเอาลองนี้ดๆเลยกี่นาทีไหมถ้าคนเห็นว่าหายใจออกดีกว่าเอารวมเข้ามาเอาลองอลองสินี่จะได้กินนาทีหเนี่ยฉันว่าเกิดดีกว่าตายเอาเกิดมาดิฉันว่าตายดีกว่าเกิดเอากินอัตมาเห็นว่าเมื่อพูดตามคําสอนของพระอัตม า, ามันพอดีแล้ว นะมันเกิดเกิดตายตายอย่างนั้นถ้าจะตัดบทมันจริงพระพุทธองค์ท่านว่าอย่าแสวงหาทางเกิดเถอะท่านว่าผู้เห็นสุญญา ต, า ต, าตามัจจุราชตามไม่ทันมัจจุราชตามไม่ทันมัจจุราชคือความตายความตายจะไม่ถึงพวกเราทําไมเพราะเราไม่มี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 เบทนาสัญญาสังขารดิน ญ, ญาณเกิดแล้วดับไปกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองดิน ญ, ญาณเท่านั้นคนอยู่ที่ไหนแล้วตรงนี้ก็สมมุติว่าดินน้ำไฟลมเท่านี้มัจุราชตามไม่ทันมันก็ตามทันแต่ดินน้ำไฟลมมันแตกไปคนไม่มีในตรงนั้นี่เห็นโลกเป็นสองศูนย์อย่างนี้เราก็ไม่อยู่ตรงนั้น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 ดินน้ำไฟลมมาแตกไปก็เราก็ตายเพราะเราเอาเราไปวางไปตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่เป็นของศูนย์มันไม่เป็นอนาตตามันเป็นอัตตาแล้วมันคนก็ต้องตายคนจะต้องร้องไห้นี่พระพุทธเจ้าองค์กานตอนให้สัตย์เทวธาตเท่านั้นเราเกิดมาเพียงมาเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเท่านั้นเมื่อดินดินน้ำไฟลมมนแตกไปไอความตายก็ไม่ถึงเราเพราะเราไมไ่อยู่นั่นเอาไม่อะารอย่าง น, น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 มีถ้าพูดกันง่ายก็พูดกันอย่างนี้ไม่มีใครตายถ้าเรายกตัวตนออกจากที่นี่จ้ะไปไปตรงโน้นจ้ะตรงไหนก็จังมันเราจะไปอยู่ตรงนั้นจะมันก็มีแต่ดินแต่หน้าไฟลงมันพังไปพระปุณมมตนบุตรกับภาษาที่บุตรซึ่งเป็นสาวกลูกศิษย์นะอัตมาก็จำจำแต่เป็นนักเรียนนะ พระปุณณมันตณีบุตรเป็นลูกศิษย์ภาษาที่บุตรอืมจะออกทุรงเดินทุรงไปก็ห่วงลูกศิษย์เหมือนกันอแอลลูกศิษย์ของเรามันจะคมขนาดไห น, นเนี่ ย, เ, ยเมื่อจะออกไปส่งก็มาประชุมลูกศิษย์เนี่ยถามปัญหาซะก่อนพระปุณณมันตนีบุตรก็เต็มตัวเหมือนกันนะจะเดินเดินทุรงเพราะการเดินทุรงนี่มันต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่างอืมปัญหาวาทะสารพัดอย่าง อจนเกิดความฉลาดอ่ะพระถ้าไปตรงแต่แท้อย่าไปเที่ยวดูจังหวัดน้นจังหวัดนี่นะอออย่าไปเที่ยวดูโน้นดูนี่นะทุกวันนี้มันมีทัวร์รถยนต์ไปจังหวัดโน่นไปทะเลเว้ยไปพังงาวะไปภูกเก็ตเว้ยไปเชียงใหม่เว้ยไปโน้นทางนี้เว้ยโน้นอโ น, น้นทุเรียนจันทบุรีมันหลายเว้ยไปโน่นสบายสงบดีมันสงบอย่างนั้นนอะ ตายหมดไม่มีเหลือเต่ตเาไปกินปลาไปกินหมดทุโรงจะหมายก่อนท่านผ่านรูปสักไปไหมพระปุณณมตีท่านจะไปทุรงท่านรอบครอบหรื อ, อยังละ่ะถ้าหากว่ามีคนมีปาราชบดีทั้งหลายเนี่ยมาถามท่านว่าพระปุณณมตีบุตรพระอริยะบุคคลตายแล้วไปเกิดที่ไหนถ้าเขาถามอย่างนี้ท่านจะตอบพราว่าอย่างไร มีอาจารย์ถามพระปุณณมาตณีบุตรเลยบอกว่ารูปเมตนาสัญญาสังขาร น, นิ ญ, ญาณเกิดแล้วดับไปดูดิเอออาจามาฟังที่เป็นนักเรียนไม่เข้าเรื่องกันเลยคนนึงถามอย่างหนึ่งคนนึงตอบไปอย่างหนึ่งไม่เข้าเรื่องกันเลยนะแต่นั้นมันเข้าเรื่องแท้แน่นอนเลยเรามันโง่พระปุณณมาตณีบอกว่าอาดีตบุคคลตายแล้วไปเกิดที่ท่านไม่ว่า ก็เพราะมันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นท่านต่อแต่เพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปอืเพราะท่านองค์นั้นท่านไม่ได้ตายนี่มันมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดมันดับไปเฉยๆนี่ดินน้ำไฟทําไปท่านไม่ได้อยู่นั่นเลยท่านไม่ได้ตายไม่ได้เกิดนี่มันก็หมดเรื่องกันแค่นั้นี่คนเฉยๆก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีไอ้คนจะแก้ปัญหามันหมดตรงนั้นเรารู้จากของมันหมดไหม มันหมดตัวเรียวกว่ามันไม่มีอ่ะนะถ้าเรามาพูดถึงเรื่องไม่มีแล้วโอ๊ยน้อยอกน้อยใจแล้วเกินแล้วมันของในวานมันแยะเลย <c oughs> เออเ อ, อแต่ว่าไอ้ของเรานั้นระวังอย่าไปห่วงใยเกินไปนะมันไม่ใช่ของเราตนะัวอย่างนี้ฟังไม่เค อ, ออกอยากจะออกอยู่มันก็ฟังไม่ออก อ, อ, อยากจะฟังออกอยู่มันก็ไม่ให้ออกบางทีก็ฟังเห็นตามอยู่แต่ว่าไม่ออก กิเลสมันหนามันดันไว้โคตรเนี่ยลองลองก็เจ็บลองก็เจ็เป็นอย่างนั้นจริงๆริงเช่นวยาคือมัริยะมันมันแน่นไว้อืถึงแม้ว่าให้มรกน้อยสักหน่อก็ไม่ค่อยจะพอใจหรอกนะให้พักย์มาก ม, ากมากให้มันท่วมหัวนะั่นน่ะให้มันล่องไห้นะั่นนะ่ะก็ไปอีกสัอย่างนึงแล้วควรเราควรกลับมาฟังธรรมะของท่านเนี่ยมันดีๆเดี่ย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 ถ้วยนะ่นไม่ใช่ของตัไปทุกมันที่กัคนโง่ที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นแยงนั่นตนก็ไม่มีถ้าตนนมงของตนจะมีที่ไหนล่ะเอาเอาให้คิดคิดเดีอที่คิดดูง่ายๆนะถ้าหากว่ามีเราของเราก็มีถ้าหากว่าเรามีเรานื่อกระป๋องเนื่นองตอควเป็นของเราถ้าเราไม่มีกระป๋องนั่นก็ไม่ใช่ของเรามันขึ้นจ่อกับเรานี่นี่คือก้อนอัตตาแล้ว มีจันนั่นต่าจงให้ทำลายก้อนอาตารตัวนี้โดยปัญญาไม่ใช่ทำลายโดยการฆ่าการข่รรมมันการฝังมันเนอืยเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดายอย่างนั้นที่นี่พระพุทธเจ้าองค์จุดประสงค์ของท่านท่านในดูโรคอันนี้มันทั่วถึงโลกที่เราอยู่โลกนี้เองแหละข้าเรารูโรคทั้งหลายให้มันพอดีพอดีแล้วนะจะไม่มีอะไรแล้วะจะไม่มีอะไรยังงั้นเรา อะไรเราระแบกกันทั้งหมดนะทั้งหมดกันไอธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยมันเป็นที่มันเป็นของเดือดวิสัยของของสามัญชนเราพุทธชนเราฟังไม่เคยออกอืมฟังไม่เคยออกโอ้ออกมันก็ออกยากเกินนะเออมันออกออกถึงพูดแทบไม่ได้ยินเสียงละอ่ะมันอัดมันตันเข้ามาเนี่ย เพราะว่าเราทุกวันนี้เหมืนอนโอ่งใบหนึ่งองค์ใบหนึ่งนะ่ะเราตักน้ําใส่ทุกวันทุกวันทุกวัน่นนะตักใส่เพื่อจะให้องค์นั้นน้ําเต็มในโอง่งในโอ่งนั้นเต็มด้วยน้ำยํำแต่เราไม่รู้ตูดองค์นะเอาอะไรไปขุดขุดโอ่งมันยหยัดหยดเลยเทใส่กระถางปีจนตายนะ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 ไอ้ความอยากนี่มันพาเราเกิดทุกข์ขึ้นมากเลยเกินอมันน่าจะวินิจฉัยพิจรารณาอย่างจะมามารวมกันอุย้ยอันนี้ตั้งยี่สบกว่าพรนศาอัยี่สิบเจ็ดพันศานี่นะอัตมาว่าอย่างน้อยต้องบรรลุ ธ, ธรรมะอืมอย่างน้อยก็ต้องให้บรรเทามันอืนะอย่าให้มันอยู่นานเกินไปอย่างน้อยไม่มีชาติที่แปดจะเกิดขึ้นมันก็ยังดีเลย อันนี้ยังไงไปเป็นห้งเป็นแห้งเป็นเต่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นคนทุนหนักตาบอดห้าห้อยซาดอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนเลยนี่นี่แหละจุดที่เราคิดต้องไปทุกวันนี้เพื่อจะให้มันไม่มีทุกเพื่อจะว่าไม่ให้มีทุกขคือทุกตามไม่ทันมัจจุราชตามไม่ทันอย่างเราทุกวันนี้ทุกๆกคนนะทุกทุกคนมันไปอยู่ในกรงเหมือนนกเขาอะ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 แต่จําเป็นก็ต้องอยู่อยู่ในนั้นเนี <_ d> ่ยเจ้าของก็กรฟังแม่นกเขาของฉันนี่แม่มันขันดีเรือเตือนไหตอนกลางคืนเดือนงี่ยงายมันก็ขันน่ะนกฉันเนี่ยนะมันน่าเรี่ยงมันไว้นะไม่นึกว่าเอาตัวเราไปขังไว้อย่างนั้นจะดีไหมเอากรงทองใส่ไว้จ้ะเอาข้าวปลาอาหารให้กินอยู่เนยไม่ต้องให้ไปที่ไหนล ะ, นะเออโรกประสาทเนี่ยมันจะเต็มเลยนะ เออลองลองดูทีอันนี้เขาเป็นนกเราเป็นคนนี่ไวขังเขาไว้อย่างเต็มที่เล ย, ยนึกว่านกฉันมันขันไพเราะเหอเกินสนุกสนานเนี่ยดูดิบางทีเมื่อชีวิตคนนี้อยู่นกไม่ได้ออกอกอาจะมาเคยไปยบางทีจะาของนกตายเขาหามกาแฟใบชาเนะี่ยถือกรงนกไปแล้วอาตจะมาเคยปล่อยเนี่ยอืม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 นี่มันต้องเด็กมันต้องไม่รู้จักต้องต้องสอนมันอย่างนี้เราะวังนะไอ้ถ้วยเนี้ยเอาไปใช้เนี่ยให้ทําสะอาดแล้วกเก็บไว้ให้ดีเก็บให้ดีเลี้ยวไอ้สุนัขแมวจะทํามันแตกนะระวังดุไว้เถอะแต่ว่าให้เรารู้เรื่องซะก่อนถึงพูดมันนะเมื่อถึงคราวมันแตกปุกก๊บกระดูมันจะหน่อยแต่ว่าดุคนอื่นต้องดุเราซะก่อนนะดุโดยวายาจจะไปดุหาใจเราเป็นทุกข์ใจไหมอืเห็น ถ้าเห็นว่าไม่ใช่ของเราก็ช่างมันเถอะกินไม่ต้องล้างก็ได้ถึงตรงไหนก็เป็นยามือโง่ที่สุดแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องอันนั้นมันของเด็กนะเป็นของเด็กแล้วเก็บแล้วต้องรักษาไว้กินแล้วต้องล้างให้มันดีเดี๋ยวมันจะแตกอยาก่าจะเงินไม่พอใช้อะไรอย่างนี้ต้องบอกคนววายอย่างนี้บอกไว้แต่ทั้งรามันจะแตกกินเที้ยก่กให้มันแตกไปเถอะ ต้องบอกขยําเด็กไประวังใะวันหลังนะถูกเที่ยนนะเนี่นะอย่าไปทำแบบนี้คิบหายหมดแล้วต้องว่าไปตามภาษานี่เองอืมนะต้องว่าไปตามภาษานะอย่าไปปล่อยที่ว่ามันไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวเราเป็นทุกข์นะเดี๋ยวคิดพ่ายหมดทั่วในบ้านเนาะนี่ต้องรู้จักภาษาอย่างนี้สอนเนี่ยต้องสอนรู้จักภาษาอย่างนี้อืมนะภาษาอย่างนี้ต้องสอนอย่างนี้สมมุติอย่างหนึ่งวีมุติอย่างหนึ่ง ใหร้รู้วิมุตต์ต้องรู้สมมุติูรู้สมมุติต้องรู้วิมุตต์ให้รู้จักอย่างนี้แล้วมันจะสบายแล้วมันเกิดหลับตรงไหนน่ะมันเกิดไม่มีอะไรน่ะมันเกิดมาแล้วอาศัยแต่นี้ถ้ามันยังมีเศษอยู่มันก็ยังเหลืออยู่นะอืพระแต่มันมีรูปวิถานา ม, มีรูปวิถานาคือความสุขทุกข์สัญญาคือความจํำสังขารคือความปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้ เกิดแล้วดับไปไม่มีใครถ้าถนัดถ้าคุณเข้าใจมา่าตายแล้วคุณจะไปเกิดตรงนั้นไอ้คนนี้ไปเกิดตรงนี้คุณก็ยังทุกข์ไม่มีจบแล้วนี่คือมันไม่หมดนะอย่างนั้นพระอริยะบุคคลที่เกพระคีนาศศสิ้นมันสิ้นไปมันสิ้นทุกอย่างมันหมดแต่เราว่าถ้าพูดถึงหมดไม่สบายใจนะ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 โลกียะถึงไม่มีปัญญาขนาดไหนก็เหมือนอาตมาว่าไงไอ้นกเขามันจะขันไพรเลาะขนาดไหนมันก็อยู่ในกรงมันถึงมีปัญญาขนาดไหนมันก็อยู่ในกองทุกข์จะเป็นขณะบดีตรงไหมก็ช่างมันเอะอยู่ในกองทุกข์มันสุขเพราะอะไรมันสุขเองอามิตรไม่เป็นมิรามิตรสุขมิรามิตรสุขนั่นมันสุขเพราะไม่เองอามิตรอืม ถ้าอิงามิสแต่ท่านเรียกว่าสุขนี่เอาอิงามิสเราอิงอะไรนะอิงราบอิงยศอิสอกกองสันเสริญอิงการดั่มการโดยอิงแทบอิงเนไปอิงไปพิงอยู่นะไปทิงไอ้ ไ, ไอ้หัวจอมันผุๆนะพิงไปทิงมาแล้วตอนก็หักทุ่มลงน้นนํากันน <laughs> ะมันไปพิงคนอื่นเขานี่ย <laughs> มันเป็นอามิตสสุขเออ น, นั่นพระพุทธทองค์จะให้รู้จักมันซะแต่เรียงมันไว้ให้รู้เรื่องของมัน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 ก็รู้ว่ายาพิษนั่นว่ามันดีแต่ว่ามันดีไปทางมันชั่วถึงเนี่ยนายกจะจะจะปรุงยาพิษขึ้นขายก็ต้องโภชนาญาชันดีนะเอาให้สุนัขกินก็ตายให้มูกินก็ตายให้อะไรกินก็ตายให้เป็ดให้ไก่กินตายให้คนกินก็ตายถึงนั้นเน่ยดีขนาดนั้นเลยยาฉันถ้าดีขนาดนั้นให้คนกินดูสิ ให้เจ้าของยาพิดกินดูโอ้ไม่กินแม้อบ้าดีทําไมล่ะดีให้คนตายดีให้สัตว์ตายดีขนาดนั้นดีนอกทางพุทธศาสนานี่ไม่จะดีในทางพุทธศาสนานี่มันก็ดีไปอย่างนั้นะนี่นั่นถ้าว่ายาคุณให้คนกินก็าตายแตาว่ามันดีเรือเกินขายแพงคนไปกินดูดิคนปรุงยามันจะกินไหมนะไม่กินนะแต่ทางมันมาดีดีแต่ว่ามันไปกินมันจะตาย มันรักชีวิตมันมันเป็นซะแบบนี้ดีมันหลายอย่างอย่างนี้แหละแต่ว่าสิ่งทั้งหลายแล้วเนี่ยไอ้ธรรมะของท่านครอบหมดแล้วท่านพูดอย่างสบายแต่เมื่อไรคนยังจะเข้าไปเห็นได้คนมันเข้าไปไม่เพราะอัตตามันกั้นอยู่อืกั้นอยู่แล้วถ้าหากว่าปล่อยเช่นนั้นเดี๋ย ว, วไอ้ราคาโทสะโมหนะน่ะมันจะเบาไปแต่นในเวลานี่ยเมื่อนชีวิตที่นี้ อ, อถ้าหากมามีเตลูกเวทนาสัญญาสังขารดิน ญ, ญาณเท่านั้นสมมุติแล้วก็มีดินน้ําไฟลมเท่านั้นเป็นคนคนแล้วเอาเอาสมมุติคนก็ไปใส่เท่านั้นถ้าเรารู้อย่างชัดเจนเลยแต่เขาว่าอะไรก็ก็ไม่ไม่ค่อยเป็นอะไรนะนี่ง่ายพูดง่ายเลยนี่ไอเขาว่าอไอเปรตเนี่ยอย่างนี้ยก็ก็สบายนะออเถ้าว่าไอสุนัขก็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 มันเป็นอย่างนี่อยากให้คนนั้นมันคนนั้นทุกๆุกคนเนี่ยมันไม่สบายเพราะมันขัดใจใไห่อหมพ่อบ้านแม่บ้านอยู่ในบ้านมันสบายยาในบ้านเพราะอะรเพราะลูกขัดใจผัวขัดใจเมียขัดใจเป็ดขัดใจหมูขัดใจเพื่อนขัดใจมันถึงเป็นทุกข์นี่เพราะการขัดทีนี้โยมจะไปอยู่ที่ไหน จะให้เขาพูดถูกใจเราทุกทาเราจะไปอยู่ตรงไหนในโลกเนี่เราถึงจะสบายเน่ยไม่มีถ้าไม่มีโยมไปตายกันทั้งเป็นดิเป็นทุกข์หมดเด็กเนจะให้คนพูดถูกใจเราทุกคนให้ทําถูกใจเราทุกคนเราถึงจะสบายมันจะมีโอกาสที่จะสบายไหมแม่จะไอพ่อว่านแม่บ้านอยู่ด้วยกันเนะี่ยแมมันเกิดจะทุกวันพูดง่ายๆแต่เนาะมันจะขัดใจไม่มากก็ต้องน้อยอะเป็นทุกข์เกิดมาแล้ว แต่เราจะสบายจะเอาตรงไห น, นเอาที่คนไม่พูดผัดไม่ไม่พูดผัดใจฉันนั่นฉันเพีงจะสบายโอ้ยไม่มีเวลาเกิดแล้วเนาะตายตายทั้งเป็นแล้วเอาลองลองดูที่นี่ที่นี่วันนี้ก็เป็นทุกคนนั่นก็ขัดใจคน <c oughs> เมื่อไรเราจะหายทุกคนเหล่านี้มันไม่เข้าใจมันจะงต้องทำอยู่อย่างนั้นแล้วก็ขัดใจโดยอย่างนั้นทุกวันทุกเวลาต้องตายยทุกจนตาย ทุกจงตายระวังนะไองัวดีๆนี่ยค ว, วายดีๆเนี่ยงัวดีๆเนี่ยใส่เกวียนเนี่เขาซื้อแพงนะเขาจะขายก็ไม่ขายง่ายๆใสเขาก็ใส่หนักที่สุดอะมันราคามันสูงนี่วะแก่จนจะตายเขาก็ไม่ไม่วังนะมันจะขาดทุนเขาจงบรรพุกให้หนักถึงเม้มันตายแดดไม่แดนเนี่ยก็ขายแทกอีกข่ากินอีกขายเนื้อมันอีกขายกระดูกมันอีกเพราะมันซื้อแพงนะี่เนาะลองดีๆเถอะพวกเาัา พเราคือันการเหตุที่มันจะเป็นอย่างนั้นเอขายไม่ได้ฉันขายไม่ได้เขาต่อยต่อไม่ได้ฉันชื่อแพงฮะฉันต้องต้อ ง, งใช้มันคุ้มค่ามันใส่ในคุ้มค่ามันโอ้ยหมดเลยโมหมดกระดูกหมดหนังหมดขี้หมดอะไรทั้งหมดขี้อ่อนขี้แก่มันไม่มีเหลือขี้อ่อนมันกินขี้แก่มันทําปุ๋ยได้ไม่มีเหลือให้มันคุ้มค่ามันไม่ ม, มีราคาหลายเนี่ยจะเอาอยัางไงล่ะ ตรงไหนพวกเราจะไปเอาทุกข์กันตรงไหนแล้วเอาสบายกันตรงไหนแล้วถ้าไม่เห็นในธรรมะเนี่ยจะสบายตรงไหนได้เอาลองลองเลยจ้ะฉันเรียกรูปคนนี้มันโตแล้วก็จะสบายหรอกมันโตก็ไปเอาผัวเอาเมียมันเอาลูกมาอีกนะเอามาให้แม่เลี้ยงอีกโอ้ยยิ่งไปเรียกเอาก็เข้ามาไปอุ้มมาโน่นบนแด่ม่ฉันยากฉันทุกนู่นนูนมันตรงไปนู่นอไปนอนกระเข้าเมื่อเขาจะคลอดเลยนะ เออไปนอนโซ่เอามดเขาจะคอดเน่ยไปดูร้านเนี่ยเขาจะคอดในหลายคนจังหวัดนี้ไปหาคนนั่นจังหวัดนี้ไปหาคนนี้เออจะทํำไงล่ะจะให้มันจบมันเลี้ยงมาเออให้มันโตมานนี่กูจะกูจะสบายแล้วมันโตมานนี่จะสบายคนไม่รู้เรื่องจักนะมันเล็กกว่ามันเล็กอีกอ่ะมันโตแล้วหรอไหเออเนี่ยจำไว้นะเม็ดเมล็ดมันน่ะเมล็ดมันมันยิ่งไมันยิ่งไล่กว่าไอ ไอ้ต้นที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแกต้องเอาไปเพาะอีกพีิโอ้ยต้องต้องรักษาแมลงยา ก, กับเก่าอีกเนี่มันก็โตขึ้นมาอีกนแต่โตจะสบายแต่เมล็ดมันยังอยู่อีกไม่หมดแล้วนะตรงไหนเมื่อเราจะให้มันพ้นทุกข์เมื่อไรเอาไปอีวันนี้ให้การบ้านทุกคนนะให้การบ้านไปพิจารณาดูทีให้ระวังระวัง ระวังไอ้พายเรือข้ามแม่น้ําระวังนะไม่ต้ขุดไปเรื่อยๆนะมันทั้งขาดทั้งวาดนะไม่ใช่พายอย่างเดียวนะเดี๋ยวเข้าในป่าแล้วมันชนป่าหรระวังครับให้ระวังนะให้พิจารณาไปอันนี้เอาประดับประหลับวามรู้ของเรามันจะต้องเป็นอย่างนี้อใค่ล่ะถ้าเรามาเห็นธรรมะใครไม่เห็นธรรมะรู้ธรรมะแล้วก็เรียนธรรมะแล้วก็รู้ธรรมะก็ยังเป็นทุกข์ รู้ธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะก็ยังเป็นทุกข์ปฏิบัติธรรมะแล้วก็เห็นธรรมะแล้วก็ยังเป็นทุกข์ถ้าไม่เป็นธรรมแล้วทุกข์อยู่ทางนั้นแหละเรียนธรรมะรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะเป็นธรรมะนู่นจบละขนาดรู้ขนาดเรียนขนาดปฏิบัติเจะไปฝันเลยน้ำตามันไหลอย่างนั้นถ้าเป็นธรรมะนั่นแหละมันจะเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมนะ เอออย่างไกลนั่นนี่นะไม่ใช่ทดนเด่นนะเออไม่ใช่นี่อันนี้เราให้ทานไปก้อนนี่เฮออ้ชาดหน้าต่อไปให้อีชันได้มากกว่า น, นี้หนังยิงเอาหนักกว่า น, นี้อีกอันนี้อันนี้พูดให้พวกจำสินฟังนะนะอันนี้พูดให้พวกจำสินสินฟังอันนี้ไม่ใช่ฉลองสั ป, ปทานนะ สองสะพานจะต้องสร้างถนนไปเกิดชั้นนั้นสร้างสแพานไปเกิดชั้นนี้โอ้โหมันมันบุนไม้เหลือเกินนะอันนี้พูดตรงไปตรงมาวันเนี้ยอ่าถ้าใครมาดีก็ขคอหักแต่วันเนี้ยเนี่อันนี้ทําผู้ใหญ่อันนั้นทําเด็กๆน้อยๆแล้วทําเด็กน้อยอย่างเด็กมันเดินเปลมคุบเอ้ยแม่คุกหนูแล้วเนี่ยมันจะร้องไห้เลยแหละมันนึกว่าคุบหนูมันเดินไม่ให้แน่ก็หกวันัช่ไหม เมื่อเราก็หกเมื่อเราไม่สบายมื่โมโหฝ่มือตีหลังมันเครีมันจะร้องไห้แม่แม่ตบยุงหรอกเด็กมันก็อือมันตบยุงก็อยากจะให้ครึ่งหนึ่งไม่ให้ครึ่งหนึ่งไม่ได้ไม่ให้เลยเห็นไหมมันไปแบ่งเอานั่นมาซะมันเรื่องขนาดนั้นเลยอัมันเรื่องขนาดนั้นอันนั้นมันเรื่องพูดกับเด็มันพูดกับเอือจะร้องไห้เอาหนูมาใส่กับไปซ้ำรีไม่ให้นะไม่จะร้องไห้มันเจ็บพอสมควรแบบเอายุ่งมาใส่กับมันให้หยุดนะ อันนี้กูมนกันแหละ ม, มันอยากได้หลายคือคนต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ผลจะสุดมันต้องหมดนะอันนี้มันหมดหมดมันจะไปเทลงมูลนะไม่จะไปเทลงลงแม่น้านะหมดเพราะปัญญาของเราหมดคืออยู่ไปในความสบายอยู่ไปโดยไม่เป็นทุกข์ทำงานก็ไม่เป็นทุกข์อย่พูดก็ไม่เป็นทุกข์จะเก็บป่วยไข้ก็ไม่เป็นทุกข์เออมันเหลือแต่ดินแต่นา้าแต่ไฟแต่ลมง น, นัดซากันตอนนี้นะ อันนั้นอ่ะไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่มีใครจะจะเฉลยปัญหาแล้วมันหมดตรงนั้นไอความมุ่งหมายเราไปตรงโน้นทุกวันเนี่ยยังมีใครคิดยังยองไปรู้หรือเปล่าไปไม่รู้ที่พูดมาเนี่ยนั่นอาจจะมาทึงบอกว่าเอาวัตถพร่องเราเนี่ยกลับที่อืก น, นั่นทุกวันนี้มันคล้าๆว่าบ้านเก่าๆของเราเนี่ยนะดินมันจืด ดินมันจืดปลูกผักก็ไม่งามปลูกอะไก็ไม่งามโน้นไปพูดินแดงน่ไปเลาะชายแดนโน้นดินใหม่ๆงามแต่ว่าไม่กีมันมันก็จืดอีถ้าเราอยู่บ้านเก่าแล้วเนี่ยทาคันนาขึ้นนะพื้นดินขึ้นเอาปุ๋ยมาใส่ซะงามแล้วคนไปถือยก็ย้อนกลับมาแย่งพวกเราอย่างก่อไม่ต้องเอาไรเอาไรเดียวก็พอแล้วอยู่ติดติดบรินเนี่ยแต่รู้มันทําสวนจะทำตะกร้าซะอืม ยามนามก็ทำนาซะเอามันสองสามไร่พอกิมนี่วัดประพงศ์เราก็มันก็แตกนี่หมดแล้วเนี่ยจืดมันจะจือดมันหย่อนลงหย่อนลง เ, ลเราต้องฟื้นข้อวัดอันเก่าของเรานะทำมันอยู่ที่เก่าันล้วแต่เราทำให้มันดีขึ้นทำปุ๋ยให้ดีขึ้นฟื้นดินให้ขึ้นรดทรายดีขึ้นงามมันงามดีขึ้นอย่าห่วงอันโน้นอันนี้อยู่โน้นอยู่นี่ยาเลยอย่างเนี้ยี่มันจะเป็นอย่างนี้ออื เข้าใจว่าอะไไม่ออกอืเข้าใจภาษาโบราณทำาว้าาวาจังไรเสื้อสัตว์แห้งมันทางเวงกินไก่เนี่ยขอข้ามทางเวกลกินไก่แน่เป็นสั้นไหมอืมขันบอกภาษาอ้พออ่อยเมย่เข้าเป็นสัน้นตัว <c oughs> เอาอยู่ใกล้ๆนี่เละเซไปเอาไก่เส้นอืมอืมคนรักข่าไก่คนไม่ข่าไก่เอามันอยู่นี่แล้วที่ไปใจเข็ดสวนเกาเ ข, าเขา้าหนีขืนเอาปุ๋ยใส่เข่ามาตั้งคอวาดขึ้น มาวัดให้ภาวนาธรรมะอย่ามาคุยกันอีอะอะให้มันดีเดียบร้อยนะ อ, ะอันนี้เป็นขอวัดเพราะว่ากี่จองไปย่างหน่อยให้มันพ้นทุกข์ชั่วขณะเลยที่มันชั่วขณะเออมือ น, นี้มีโอกาสมาเปิชูวฟังๆๆเสีดอแเมือนี้มันจิบเวทภาษาไปเสี